บ้านบ้านอยู in ่ไหนะบ้านอยู่กรุเทพกรุเทพเลยไปบวชอยู่ตาหากโอไปที่ไหนบ้างทีบ้านอยู่เที่งที่อยู่ที่ไหนบ้านอยแดงขิแดงเนี่ยคุณชื่ออะไรเนี่ยคุณชื่ออะไรเนี่ยชื่อพเอนคุณเบิร์นเรียนอะไมาก่อนะคุณรับมาเรียนอะไรมาก่อน ใครซื้อไรเทอะไรมาอ๋อภาษาษาอคนบ้านเดิมไหนฮะเชื่อใหม่เลยเชื่ออะไรนะคนมานี่ขึ้นคอนโดมาหรือเปล่านะเออนี่มาไปเท่าไหร่ม้ยี่สิบตุ๊ลี่อไปเท่าไหร่มา ก, ก็พยายามทุกผลนะเพยายามไปพอดีก็ครูเนี่ยก็เป็นผู้แนะนําท่านเองนะว่าแบบนี้แต่ความจริงๆริงความจริงแล้วมันฝึกยากเมื่อก่อนนี้ก็ฝึกขึ้นไปสิบสิบปียังไม่ได้แต่ว่าคนที่ฝึกได้เวลานี้ก็รู้สึกว่าต้องเป็นคนที่สร้างสมมติ ม, ม, ม, มีวันดีเพราะว่าวิชาสามกัเดียกียากัดนดี่หนักมากไม่ใชเบานะ กร น, นีกรณีอาการพิเศษยอย่อย่างหนึ่งคือไม่รู้ตัวเองกันมันมีอาการหนักนั่นลมหยาบถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าหนักหนักตัวหน้าผากแล้วมืดเกินไปเนี่ยเวลาเริ่มจะพอนาใหม่ๆให้ถอให้ยใจยาวๆห้จๆใหจยาวแบบปินหาน ะ, ะถ้าสามสี่ครั้งแล้วต่อไปลมจะละเอียด ถ้าเริ่มต้นทีเดียวลมมันหยาบประกอบเาทำใบทำใบลุมเลิะเอียดมันก็ตากมาก็ตั้งกันอฬาริณามาก้มันจะเมเข้ามาเออใช่ใช่เนี่ น, นี่ยเพราะเราเริ่มต้นลมมันหยาบที่นี่เราก็ตัวบวงมันเยอะเลยนะฮึคุณโอญาครวัวชัยวัดท่านคุณนะอ ชื่ออะไรวะชัยยุทดีลงเสมเกียรติะสมเกียรติสมเกียรติที่ว่าอยู่สุพรรณด้วยครับอ๋อเออพระเสกสรรด้วยไอ้ไอ้วันนึนถ้าไปนานผอมโอคุนิมผอมก่อนเข้าเนี่ยไหนนมันน้ำหนักมันเยอะปริมาณนมากโอคนมีคนเสกสรรอีกคนเสกสรรคนอะไรชัยชยุทธเลยโยยุทธเลยสมเกียรติ อ้ชื่ออะไรวะพิชิตพิชิต่อวันน้เฮาเขียนไม่พิิตตออะไรวะเลยนึกนึกั น, กนมากาพิชิตโอ้ะแล้วก็คุณชัยวัดหนีเราไปสองก็ไปกลับพัดเลยคุณอะไรสมชายกับคุณบดีอ่าบดีกระดิษรุบระดิษฐุก็กุบดีกรุบดีรุีบบดีกีรุบดีกรุดกรรุบรุนน ด, บบดีดีกรี่วุดีบึง ถ้าคงอยากไปเี่ยวข่าวเนี่ยแล้วพวดไปปลายๆเนี่ยคงว่ามาวัดหน้าคำมันหมายว่าเสือกินแกหรอวแกสบายแล้วแกไม่มาวัดบ้างแต่ก็เอาคนนีดีไปหาจัดเปล่งครยวิเวกถ้าเอาทุต ด, ดงแล้วก็ให้ทุต ด, ดงนี่ตามวอรติมมก่อนเขาใช้การ่าขึ้นกันซึ่งก็เป็นการศึกษา ล้วก็อาจย์สิงจะไปอยู่วัดอะไรวะฮะโดยนะดาโดยจอมแจ้งอำเาอปา่าไปเออทั้งเน้เออดีแต่ทุดรงนี้ชยุทธตัวผีมอ๋อเขาใช่อย่างนี้นะเวลาจะปักกรดแต่ว่าแต่ละวัดจะไม่เหมือนกันนะ แต่และวัดนี่จะไม่หมือนกันื่อกันให้แล้วก็เท้าทุนลงนี่นมันมีจุดต่อนมีอย่างแต่พวกที่เล่นทางสายศิษย์ศ์นี่แหละพ ว, พวกที่เล่นศิยศักดิ์เขาว่าจะลองถ้าเขาลองเราตายได้เขาเหฮงยังไงอันนี้ต้องต้องจาไว้นะผมโดนมาแล้วนะในเวลาจะปักตร์ดเนี่ย ต้องนึกถึงมุตตเจ้าเขาใช้คถาบารมีสามสิบ ท, ทักษ์คาถาบรารมีสามสิบทักษ์ีนว่าอิติปารมิตาติงสาอิติสัพญยมาพตาอิติโกธิมนุปโตอิติปิโสจเตนโมอ่ะอันอ น, นี้เป็นนอนๆเนีย่ยหงพ่อานมาบ่กแกไม่บอกใครกางเลยเลย บอกเราบอกอาการจไปนะยิ่งบอกอะไรมันทันนะพกก็ป่วยใช่ไหมถ้าจะว่าตอนนี้มันจะปักไอ้ไข่ตกรถไปนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนนะตั้งใจนึกถึงพระพทธเจ้าเวลาก็ปักเขาว่าว่าพระต้าก็ทาบนเนวาเรื่อยๆไปกิจบ like ่นั่นอิติปรมิตาทึงสาอิติสัพญูมาคาตาอิติโพธิมนุปโตอิติปิโสจเตนะโมว่าเรื่อยประงวันจะปักเสร็จ พอปักเสร็จแล้วก็เวลาจะตอกหลักขึงสายอภิกรรมเนี่ยสายเชี่อมทีหนึ่งนะแล้วว่าพระ ส, สัมมิสาีพระดีเ่ว่าปเรื่อยไปยิ่งกว่าจะแน่นแต่เวลาปลูกก็เหมือนกันพระ ส, สัมมิสาตถพะเนี่ยเป็นกนระถาตะวาดไปมาผ่ า, านเราตะวาดช่างหนีนะอันนี้ช่างนี ถ้าช้างไม่หนีเราก็ห น, นีช้างไม่หมดเลยนะถ้ายาช้างนี้ไม่อยากโล่ช้างอยู่ทนเหนือแล้วไปทางใต้ช้างมันกลเราแต่ น, นี้เป็นอาถรรพมหาอำนาจช้างนี้สัตว์ได้กล้าเขา่าสัตว์ที่จะมาวนได้แค่แค่หลักน่ะเข้ามาในหลักไม่ได้สําหรับอาถรรพ์บารมีสามสิบทัพนี้โป้ไรสัตว์ทำมาไม่เข้าเรา บาทีมันชนล้านกรดปันนี้นะ่ะงชนยอดกรงวังนเลยทำจะเป็นนกนกเลยไหมเขาทําอะไรไม่ได้แล้วทุกคืนก็ต้องแผ่แม่ตาจิตก่อนที่จะปักกรดที่ตรงไหนต้องต้องนึกถึงเจ้าที่ก่อนเจ้าที่เนี่ยเขาจะเป็นผีเป็นเทวดาเลยก็ะชั่งแล้วก็ได้คุณในใจว่าพูดผีเทวดาทั้งหมดถึงสิงสิงก็ติดอยู่ในที่นี้ทั้งหมด ล้วถือว่าเรามาที่นี่ขออาศัยที่อยู่อภาษษษษษษษาพาสัยพระโชคลาเพระเจริญสมณธรรมแล้วขอท่านหลายได้โกรดสงเคราะห์ให้ความคุ้มครองด้วยท่านโทนี้แต่ว่าลอยโซโหกเชือททำไมทำหรอกถ้าไม่โซโ่หกก็เอาแน่แต่ว่าก็มีหลายองค์ที่เสียกินก็มี ที่เสื้อกินหนึ่งครั้เสื้อกินมันมีอะไรไปไปด้วยการขนองในการไปทุนลงในต้องตั้งใจไปเลยว่าเราจะไปเพื่อตักกิเลสในการไปตักิเลสที่ต้องไปมันถูกต้องคือทุกเวลาทุกเช้าตื่นขมาปั๊บจิตตั้งอยู่ในภมิฐานสี่ก่อนแบบแรกแพร่เมตตาไปในจักรวาลทั้งหมดก็เราจะไปนิตรที่ดีของคนในสัตว์ทั้งหมด เราจะเกื้อกูลเพื่อมีความสุขแม่ข้อมแผลไม้ตาเนี่ยจุดนี้สําคัญนะแล้วก <lad> ็ว่าถ้าว่าเพื่ความมั่นใจแล้วก็สดบิกฤทธิเลยกขึ้นเมตตาเนสปโรก็ได้ขึ้นสมายเวลาจะขึ้นเมตตาเนสปโรกันนึกไปทั่วจักรวาลนี้ทั้งหมดเนี่เราขอแผลเม้ตาให้ทั้งคนทั้งสัตว์ครับเทวดาพวกผีวิชาต่างๆทั้งหมดให้เขามีความสุข เพราว่าเราวเลยไปตาม ส, บ, สบายๆหลงังจากนักก้นก็จับอหลังจากนั้นก็จับกรรมฐานที่เราต้องการถ้าต้องการแบบไหนก็ว่าประนั้นที่เราคล่องนะเพาเราะอารมณ์จะต้องตั้งอยู่เสมอว่าเราจะไม่ไม่จิตไม่น้อมไปในราคะจิตไม่น้อมในโทในโลภะจิตไม่น้อมในโทสะจิตไม่น้อมไปในโมหะ ว่าทั้งสี่ประการในคอนจิงวันสามราคะกับโลภะบางทีท่านเข็นราคะบางทีท่านเข็นโลภะมันมีอาการอย่างเดียวกันถ้าตัดสินใจไปโเยตจงว่าชีวิตของเราลืมตาขึ้นมาหนี่เราจะมีโอกาสได้หลับใหม่หรือเปล่ายังไม่แน่วันนี้ทั้งวันที่เราจะผ่านไปท่านนั่งอยู่นี่มันอาจจะตายก็ได้ ถ้าตายก็เชิญท่านห้าไมาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถ้าตายเราก็ปฏิปันอนจิตจับไปจุดเดียวนะนี่เดี๋ยวหาพระไปหารเสียล อ, อ น, นาาฉันลุกมาข่าวถุยเลยนะหัรพระก็บนรณหารเสีย อ, อีตาในเ ก, ก่พาพระออกมาหารเสีย อ, นะอันนี้พ ร, ระองค์นั่งขักโอ้โนหะนะนะนะ เราบอกนะอีานีถ้าไปกับเราเสือกินแน่แค่ว่าเขาทุดงปกติแล้ก็อีกระการหนึ่งถ้าเขาถาวายของอย่ารับนะคือพวกราบฎรกกาละทั้งหมดนะอย่ารับเพราะเงินพ็ทองไอ้เงินทอเนี่ยมันเป็นโลยะถ้าทุดงตรงจริงๆสมัยก่อนถ้าเป็บัตินิดเดียวเนี่ยกามีไอ้มดคันไฟมันขึ้นไล่กินเนะ่ะ แล้วการปักตร์ก็ต้องถือถือว่าถ้าเราจะปักตรดไปตรงไหนเนี่ยดูสั ก, ก่อนว่ามันมีตที่ก็ห่วงห้ามหรือเปล่าถ้าที่ก็หวงห้ามเราก็จะปักเพราะว่าถ้าปักแล้วมันถอนไม่ได้ถ้าปักตรดตรงไปแล้วเนี่ยฝนจะฝ้าจะตกเพราะว่าเสียงสัตว์ไล่จะเพิงมีนี่ถอนไม่ได้เด็ดขาดถ้าตายให้มันตายไปเลยต้องตัดสินใจทางนั้นหรือว่าแทนที่ว่า ไม่ชอบใจตรงนี้เราจะหนีไปนอนนอนอันนี้ไม่ได้ทุดดงเราถื อ, ถอว่าเราแช่รมปลดชัดไปเพื่อล้างกิเลสกันนี่ไปเพื่อล้างกิเลสกิเลสตัวสำคัญที่สุดประโยชนที่สกายะทิฐิคือห่วงร่างกายของเราเองดิ่งการไปแบบนี้เราก็ต้องไม่ห่วงร่างกายของเราถ้าห่วงร่างกายของเราก็ยังทวดดงไม่ได้ นี่ถ้าตัวไม่หดร่างกายถือร่างกายมันจะพังมาแรงก็เชิญเราไม่ต้องการมันอีกเพรนี่ก็ไปนิพพานอย่าถ้าตายถ้าตัดสินใจได้แบบนี้มันไม่ค่อยตายไม่เหมือนลุงพ่อขี่เสื อ, อไปไล่ฟางเปล่ า, าลุงพ่อขี่เสือนี่ท่านไปกับลุงพ่อขันแล้วขันมนันต้องก็จับอ้าขันเป็นรุ่นพูนําทีม แล้วก็หลวงพ่อขี่เสือท่านไปด้วยนี่ตอนนั้นยังไม่เป็นหลวงพ่อยังเป็นหลวงพี่อยู่ไอ้เสือมันก็มามันก็มาตรองฟุดซุปรกฏก็ต้องหาตาหาไปเดียดีอ่ะมันดมไปดมมาโอ้อื่นก็นั่งภาวนามันก็ไปล้อมฝุดฝุดสุดฝุดฝุดฝุดฝุหวงพ่าเห็นก็ภาวนาเฉยมันก็ไม่ไปมันก็ไม่เข้าไม่าเข้าสารบุคคลไง อันนี้ว่าไปดองปกอบอื่นอีกมาล่อทุกองแะมันก็ไปวนวนวนกูดินุดฝุดฝุดฝุดเดินหงายเห็นไหมชัดถล้วกลางคืนนี้ถ้าเสือเนี่ยไราเห็นมันสีขาวนี่สัต์สำหรับหลวงพ่อขี่สุนที่ขี่เสือแกมีไอคอนฉบับไอตับมาใช้โอกานเรามีปวามจำเป็นไม่ต้องมีอะไรขึ้นอย่างถือไปเพืตอบเนี่ยฮะกับใช้โกาสแกก็ถืออนนั้นไป เอมาถึงโปรแจกตที่ไอ้ร่างภาวนาขะนั่งจอ ง, องกรสินส น, อะอะนาา่เพ่งกระสินเน่ยะไรพยคกรสินดังเวมาเพ่งเสือจำได้มพยคกร ะ, กะกสินดังกงเนน็เสือนี่ยกสินข้อที่สเพรุทธเจ้าพระพุธย่างนั้นเลขนั่งจองเดี๋ยวมาแล้วแก ต, ตั้งอารมณ์อยู่ไม่ไม่ถูก มันก็ตะคุยสักๆจำกันจริงไอ้แค่มุ้งเนี่ยมันจะหัวดงขึ้นมาก็ไดมันมไปดมมาแ้วก็ห้ำจังเนี่ยกาลังเพ่งแผ่เมตตาจิตจะกระบอกนะเรียกว่าคาถาเมตตาจิตใช่ไกระบอกแล้วแล้วคาถาใช่ไมหนูจะไม่ดีนะคาถาเมตตาจิต เราบริบบายมาเดียวก็หมูคุยฝดฝดฝดฝดฝดฝดคุยล่อตูมตตูมเหนนาไงเสียม่องแต่คนประชาเราขันบอกนี่คุณรีบกลับได้แล้วแต่เกินไปแล้วผมตายด้วยเนี่ยเรา้วเสียตายแต่เสียตายไปตัดไปสิตตีแต่ว่าธุดดมก็ธุดมก็ต้องช่วยหนักหน่อย นี่ต่อมาท่านก็อยู่มาจนแกนะต่อไปท่านออกทุนลงใหม่เขากลับมาแล้วทันมาเขาไม่โกรธบ่ตอนนั้นเขาก็กลัวกันแต่ว่าเขาตั้งใจว่าถ้าเสียกัดตมามอะไหลจะตายเวลาปฏิทันแล้วก็วตั้งอารมณ์ใหม่แต่ปีต่อไปนั่งออกไปยิ่งแก่เก่งตอนนั้นยกครูไ ด, เ ด, ดเเ้เสียทุลัณห์หลังเก่งนี่เรี่องพ่อคิดเสียจะมาถามได้ไหม อาจจะไม่ได้น่ยแกคิดเอาบทหรช่างเห็ไหมแล้เดินไปก็ต้องนะมระวังถ้าจิตเราดีการเริยกรรมฐานที่วัดก็เหมือนกันเราทำมาวสีพปอยู่ในป่าจะเป็นอรัญวาสีก็มีสีเหมือนกันแล้วก็มันต้องมีส่วนนี้เป็นอ <laughs> ุปสรรคเป็นศัตรูกรรมฐานที่เราทํา ถ้าศัตรูเน่ยถ้าอยู่ในบ้านถ้าอยู่ในวัดศัตรูมันมองง่ายถ้าเราวังนี่ยตัดความโลภเงินจะมาของราวัลก็มาเรื่อยเลยตอนนี้ครับว่าถ้าเราหลงเงินพับเงินเนี่ยหายถ้าเงินโอนหน้ามาห้เรากับเราก็นึกเลยว่าเงินจำนวนี้จะเป็นอะไรไป็นบัตรเลี้ยงเพื่อนพระใช้จ่ายในบนในส่วนรวมสร้างมีฐาน อะไรพวก น, นี้เป็นธรรมทานตอนนี้ก็มาเรื่อยแหละเพราะเราไม่สกระเป๋าหลวงปู่ปันบอกว่าไอ้คนเก่าถ้ามันอยู่แล้วคนใหม่มันไม่มาเข้าใจไมถ้าสะสมถ้าเราสะสมเนี่ยไม่ใหม่อะไเงินตอนนี้กิเลสมันเกิดตอนนี้ได้ว่าทรัพย์สินมันมาเนี่ยเราก็จะเป็นหลงในทรัพย์สินเราก็ต้องโมั่นากับคนที่เขาถวายเขาให้เราเป็นความดีของเขา ถ้าเราสะสมไว้เพื่อความร่ํารวยถึงความเลวของเราเอมันไม่ตรงกันนะถ้าเขาให้เราคือความดีเขาก็ให้เทว่าเขาตัดกิเลสให้เราพาะเขาจึงให้ได้ถ้าก็มีความโลภสูงเขาก็ให้เราไม่ได้มีความโลภเขาต่าลงไปถ้าสามารถเขาตัดโลภเขาก็ให้มาชิ้นหนึ่งของอย่างหนึ่งมันเป็นมัตถุที่เขาจําจะต้องใช้ถ้าก็หามาในความเหนื่ยยากการเนี้เขาให้มาที่เขาหวังตัดกิเลส จะมีหลายๆท่านทีท่านท่านในคิดว่าจะตัดกีโลกีเลทั้งท่านสงสาภาพแต่าาแตหายแต่น้องก็ตัดไปในตัวสิท่านตัดไปรรมดนะจงไม่ว่าเขาจะให้เพื่ออะไรก็ตามแล้วก็คิดและเห็นสามภาพก็หนังนึอย่างาเราน้นไปต้องนี้กัได้ไหมตรงนี้แล ม, มาเลย ม, มาแล้จะปอหมอกครองกสี่มื่นหนึ่งพันอุปรกรณ์ตา่างๆไอเนไอศีใส่ล้วท้างบนอีกนะท่านหักเอมาว่าจะให้ก็ทา ตามใจเลยดีกว่าเขาจะให้ลงสีนี้ผมว่าไม่จำเป็นหอกใช่ไหมน้นาเราก็แรงอยู่แล้วนะแล้ก็เลยให้เอาแป๊บสีนี้มาลงองเพราะว่าถ้าเราต้องการให้เขาเอาลงแบบวก่านะกรองขึ้นไปเลยไม่งั้นข้างบนจะเป็นตากรนอันนี้เป็นตะกอนปะนต้องมีถ้ากรองขึ้นไปเลยเนี่ยมันไม่เป็นตะกออนระบบเก่า ให้เขาทำตามตัวใจเราชอบจุดไปแต่ว่าจะเป็นอะไรป็นกอ่อเปน็นเรื่องของเราเองสมัยป่าท่าย้ะให้อากาศ ด, ดีก็ดีกรองขึ้นไปเอาล่างขึ้นไปตั้งบนน้นนะมังลงในถังถ้าเต็มกองอัตโนมัตก็ตัดเองเนีไยถ้าถ้าระบบนี้ถ้าว่าขึ้นไปแล้วก็ลงกรองทีหลังนี่เป็นตะกอนแต่นี้หม้อหม้อกรองลงใ น, นของเราหมอกรองนั่นมัใช้ได้อยู่ตอนี้คือง า, ามนมาตั้งรือว่าเราจะได้ ใช่ไฟฟ้าลา้างจะล้างนะแต่ลุมไอ้หลุมนี้มันสมุลไปแล้วใช้ตรนั้นต่อก็จะลงสีนี้ผพราว่าไม่จำเป็นน้ำเราลงกำลัแ ง, งแล้วล้างหม้อเก่าคอ้โหโชดไปต้องไล่เม็ดตัวจะลง น, นไม่น้ำแรงไม่แรงไม่ใช่สีนี้ว่ะแต่สองนี้กำลังมัลงสงนะูองอ่ะเมกี้พูดตรงนรีบไปเอาพูดตรงสตัง เราไม่ต้อคิดว่ามันจะเก็บอยูได้ไม่ได้สนนั้ไหวมากเกือบแสนในสองลูกโอุปกรณ์การนี่คือว่าเราไปตัดลากราคะราคาผมก็จะมาถ้าเราจะตัดโทสะโทสะผมก็มาถ้าเราจะตัดโมหะโมหะผมม า, มาอันนี้เรียกว่าอยู่ในว่ายผู้่รียพอดิน้นถ้าอยู่ในป่านี่มันต้องมันมีต้องมีอารมณ์เข้มแข็งถ้าเราอยากจะตัดโล ค, คร้าเราโลภะผมออกไปผมตัดพร้อม เพื่อเราจะคิดตัดกรอบอันดับแรกสิ่งที่เพิ่งมีมาก็คือราคามาเล่นก่อนราคาที่มาเล่นเนี่ยบางทีก็เสียงผู้หญิงคุยเสียงบรรเลงบิดพดบ้างเครื่องสายบ้า ง, ม โ, างมโหรีบ้างไอ้โหฮอรีมันมีเคงสายผสมมีแรบบตรวงบ้างคลองยาวบ้างไอ้ที่เราเล่นของคลอ ง, องแล้วแผ่ก็ะตุ้นตามเหมือนกับนบรรเลนในในใรงใกลๆแบบนี้ ไม่ใช่ดีไม่แย่เพราะไหนเหมือนก็นั่งใกล้หงษ์ผาดแล้วก็มีเสียงร้องช่วยเจ้าท้องสงแต่ไม่เห็นตัวก็เล่นแบบนั้นทุกวันเราเป็นบัตรกลับมาแล้วนั่งกินข้าวเพราะกินข้าวอยู่ที่วัดแต่เขามีอีไผ่เขาต้องบันเลงใช่ไหมแค่ก็บันเลงที่ก็ร้องทรงดีไม่ดีเรากาลังเจอกรรมมาทำเอาทายแค่ก็บันเลงเองแต่ก็บันเล ง, ง, ง, ง, เล ง, เลงผมไม่เป็นไร เพราะผมยินเสียงวิาพากษไม่ได้อินเสียงิาพากษเนี่ยถ้าเคลื่อนสายได้แก่วงไม่แน่นะถ้าเสีวิาพากไม่แข็งไม่อยู่เลยตักจิตอยทันทีเพราะมันเคยได้ชันกับเสียงวิาพากษ์แล้วเสีย ง, งที่เราชอบก็จะมาถ้าต่อไปพัฒ น, นามันจะเห็นในในป่าที่เราเห็นเป็นป่าเนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งอื่นสวยสดงดงาม ให้ภาพยังครับบางครั้งเดินไปป่าลึกมันก็ไม่มีบ้านไก่ป่าไม่นี้คนไก่ป่าไม่นี้คนแสดงว่าพรามเดินไม่ถึงแต่ก็มีหมู่บ้านไ อ, ห ม, นไอหมู่บ้านซึ่งมันมีไม่กินหลังนะครับเดี๋ยวมีต้นไมา้รากไม้มีกล้วยมีอ้อยมูสนไม้ผลเยอะแยะจะรู้สาวชาป่าได้สวยจริงๆแม่ผิวมันดีใช่ไห ในเด่นหน่วยนาฏเส็นกครับพวกเราไปก็ออกมาต้อนรับขอนิมนต์ใ้ปักตร์แท้ี่คนแก่จมาคนสาวมาแตะจ้องหน้าให้ดีจะไปจ้องจะเป็นกำลังยิงตรงดีและพวกนี้แม่กระพิษตาพวกแม่กระพิษตานี่ไม่ใช่คนเพราะรู้กติวดามนี่เล่นสนุกดีเยคนแก่ก็มีเด็กก็มี เราพอไปถึงมาถึงกลิ่นตัวจะหอมหอมไอ้กลิ่นหอมเขาต้องมีเวลาเขาหอมหอมเนี่ยมันจะเหมือนดอกไม้มดอกมะลิ ก, ก็ไม่ใช่ากาแจก็ไม่เชิงมันจะประสานอยู่สองอย่างเปนเครื่งเคลนแล้วขาดทางนอกน้อมดีนี่มลทอยปักตกที่นี่นเป็นการโปรดท่านไหลายสิบปีที่ในชีวิตที่เห็นพระเนี่ยเพราะวชีวิตเคยเห็นพระจะรู้จักพระยังไงคือ <c oughs> โยกเสดในชีวิตก็เคยเห็นชาเนี่ยแล้ก็ครจะรู้ด้วยไงว่าเราเป็นชานี่มาแล้วแต่ว่าชีวิตหลอกคุณแก่ายพูดถ้าเ้าดิมมนให้เราปากตรงเขาก็ปักปากใครจะ่าคุยก็คุณไปแล้วก็นั่งพิจารณาไปมาไปเอาสัญญามันสวยก็ต้องเห็นใส้สาวสวยแล้วต้องไปดูคุณแก่ คนแก่มันจะสวยสู้คนสาวไม่ได้เนี่ยีย่เป็นชฉ ว, วัดแต่พวกนี้ตอนมาเช้ามันแก่อย่คนนั้นน่ะไม่เรื่ออะไรนี่เขาตีแบบนี้นะก็ต้องเขาตีไม่ใช่ที่ก็กลับไปแล้วมันนอนฝันแทนนิภาวนาก็โตเห็นหน้าอยู่รานแจ้วแล้วสวยแล้วเสียกิน <c oughs> แต่วันนท่านานกึกอย่างนันป๊บบ้านจะหายในตอนเชา้าถ้าลมร่า่าเกิดขึ้นมาในเวลาที่เขกลับไปแล้ว เชา้าไม่นีป่ารกทึบอยแต่ผมไม่เคยโดนแต่โอ้ยเคยแม่บ้านช่องเตียนรื่นโหมีไก่นีหมานีทุกอย่างมันน่าเรื่นรมีต้นไม้ดอกไม้แฟนต้นไม้มผลเยอะแยะเรื่องเก่าๆก็เคยบ่อยฟังเฮ้สาวมาคุยก็ดีคนแก่มา่อสาวมาก่อนมาคนแก่มาก็คุยไปคุยมาท่าทางเป็นกันเองทืออย่าง หลวงที่ผู้เป็นศาสดาหใหญเพราฉะจะเริ่มเริ่มชอบที่กาบปะทิ้ข้าวมุงกาสิงกโ็โผล่อิอทียังกาชินังอิทีก็นู้หญ <c oughs> ิงงถึงนากาิสินังอะไรมันไม่ไห ว, ลวกลายเ็นว่าตื่นเช้าบ้านไม่มีเป็นต้นไม้รกกรอบ เสร็จเรวังกิมนีม่นี่ก็อันนี่มันเป็นเรื่องของราคะเราก็ต้องใช้อารมณ์ตัดตลอดเวล า, าคือขันห้าของเราไม่เป็นเรื่องแม่ขันห้าเราไม่เป็นเรื่องขันหา้าของใครจะเป็นเรื่องที่เราเดินมานี้เราเดิน เ, เนพื่อปฏิบัติวางอารมณ์แบบนั้นไอ้ต่อมาก็เรื่องโลภะอย่างอื่นก็ตัดไปไอ้โลภะนี่ก็ออนหลอกที่เราเดินไปตีตาปากไม่ปุงป้งปุ่งบังนะี้ อาจจะพวกกตหูฟ <elet> ังนไม่ใช่เงานดังตีปากไงดีไม่ดีเดินบะวัทองแดงครึบตเป็นหลมใหญ่โอ้โทองแทงหมดขนาขนาดนี้ไแต่คนดีวจะไม่ไหวเอาไหครับผมเท่าไหวกิ่แท่งกันเนี่ยบอกแกไว้ซื้อกินเอากินแล้วป็นสบายกินสบายสบายทองจริงจไม่ใช่หรอกแต่โกแต่เราอยากได้อดข้าว นี่เขามาเเอาเขาล่อชัดชันเลยนะพลนะังนี่ก็เอาจริงจริงไม่เคยเจอมาแล้วแม้ว่าสําหรับเวลานี้จะเดินเข้าลึกข้นงหนะ้าอันตรายไปสถิมีไปด้วยคนสมบูรณ์โดนมาแล้วนะ่ปีที่แล้วตอนะนั้นมันมันลอมมันไหลแค่ก่าวาว่าฝนระั่งผมนึกถึงพ่ อ, อไหลไปแล้วมาผมนึกนึกน้องก็เลยไปไม่เลยไม่ทำ รลหว่างข้อนี้รู้สึกว่าฝ่ายตรงข้ามหนีมากเรานไม่ได้เป็นศัตรูกับเขาแต่ว่าเขาเป็นศัตรูกับเรานะแล้วก็บราการที่สองเวลานี้ก็มีคนที่เป็นคงเป็นภาพปกติเนี่ยรับจ้างเขาตีคนสมบุญบอกว่าถ้ารับการอบรมจากเขา หนึ่งเดือนเขาใ้จ่ายกัเดินห้าร้อยบาทแค่เงินทิศสิบสสิบสองบาทไปเลี้ยงวันละสิบสองบาทอันนี้แล้วก็เดิมก็เป็นพระที่เจติก ร, รมนันก็เราเรานี่นต่อมาภายหลังถ้าว่าเกิดพิษความโลภถ้าก็ให้เราเดินมาสี่ร้อยบาทก็แสด ง, งเขาอาจจะมีเด็เดินเป็นหมื่นใช่ไหมแล้วเขาเป็นต้นสายอันนี้ก็ต้อง อันนี้การทุนดงเวลานี้ก็ต้องระวังระวังหน่อยนะเพรว่าปฏิปกักษ์ณีมีมากแลามันมีทั่วประเทศไม่ใช่มีเฉพาะจุดได้จุดหนึ่งขนาดที่เขากล้าออกหน้าออกตาเราต้องคิดนะจ<น>ะวรวมความว่าการไปทุดงก็ยึดหลักถืออุปสมานุสติกรรมฐานเป็นกำลังใหญ่ อุปสมานุติีกรรมฐานเนี่นคือนึกถึงปณิพันธ์เป็นอารมณ์สังโยชน์สิบปรมีสิบนี่เราควรจะจดไปเลยเช้าตื่นขึ้นมาเสร็จภารกิจเองก็มันท่องปรมีสิบเส้นได้หรือว่าเวลาที่จะเรเจริญฐานก็นั่งจับอารมณ์ปรมีสิบจดไหนบ้างที่เรายังอ่อนอยู่มันจะไปครบตีอะไให้ครบขึ้นมา นึงแ่้ว่ามันจะเข้ากัมาจะมีความเข้มแข็งจะเพราะเวลาที่เรานั่งอยู่ก็ก็ใช้ได้แต่เวลาเดินไปในก่อนจะออกเดินทางก็ต้องใช้บริบบรมีสิทธิในตัวบรมีแท้นะั้นไม่ใช่กระถางพี่นะใครควรพิจารณาสักก่อนว่าเราจะทรงบริมีสิทให้ครบถ้วนในเวลาเดินไปเราจะว่ากระถางพราวนาว่าจะหายก็ได้แผ่เมตตาจิตคนได้ถ้ามันโกรธกันมาก็ขึ้นไมตตาสปรโรซะก่อนนะ ก้าวไปเรืร่อยๆจนทั้งจิตสบายแล้วก็พรวนาอย่างอืน่นตามที่เาชอบการภาวนานไมันสําคัญแต่ว่าอันดับแรกที่สุดจะต้องเริ่มต้นเลยเมตตาพเมรุหายก่อนพอลึมตาขึ้นมาไม่งัจะมีภัยวันนี้นอนๆนัางเล่นให้เมียพ่อปานบอกเอ้แก่ไม่บอกพระเราวว่าก็อบอกไงท่านนะผมจะตายแล้วไอ้ผมก็แย่ย แค่เกิดการทีไปเมาันเป็นอะไรักษณ์เออกลางวันใครถามท่าสมบูรณ์ได้ก็สินสิบครบคนถามท่านบอกว่าสมบูรณ์นี่เทวดาช่วยเออพระเทเวดาช่วยเนี่ะพระช่วยเทวดาช่วยหนเ่การเ่ล่นไหวเนี้ยที่ว่าคงมด้ยมก็ะสินสิบครบคีอว่าก็นในพุทธกัน ไม่ได้ได้ผลเท่กันหรืว่าถ้าต้องการมาปั๊บต้องใช้กําลังช่วยทันทีนม่นพอถามเข้าไปไม่ถามก็ไม่รู้ผมผมไม่ไม่รู้ใครเนี่ยการบฏิผมไม่ดูใครใครที่ได้อะไรก็ไม่เนี่ยผมไม่ดูแต่ว่ามาพูดว่าวันนั้นตอนเย็นแหละที่กบกเจงนินทิ่หมอาิศว์หมอวิศว์ที่มันอยู่บางวันน่ะต้างมาแล้วก็เอามาซื้อของเสร็จ เร็วจัดกันเลยทว่าปานเป็นบอกว่าไม่ใช่ไม้ที่เอาญญาใหญ่ก็เป็นปิญญานั่นแหละแต่ไม่ใช่กําลังตัวเองเป็นพระเจวดาช่วยอันนี้ยิ่งดีใหญ่ไม่เหนื่อยมากเใช่ไหมเออเนี่ยมานี้แสดงว่าท่านเริ่มเริ่มเนี่ยเริ่มเริมไว้ตัวไอ้เด็กพวกเราเนี่ยจะบอกให้ขยายตัวเท่าจะนอนผู้มีคนเนี่ยเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มข้าวปัญญาใหญ่เนี่ย ท่นนี้บอกยี่สิบปีพัฒนาจะขึ้นมาคุณเทพนันเส้าก็ตีขึ้นไปตีน้อยๆนะ้นี่คุณไปอยู่เป็บร่างกัเขาใช่ไห ม, น, มนั่นเ่ยาเา ม, มานี่เนี่ยเอ อ, อยึดก่อนบททาอะไรค่อคนบททาางทาง อ, อยึเท่าไหนเน่ย ตอน้ทำทางสายขึ้นไปดานทีสมองคจกัรบุรีเอต่คองสูงหมเป็นยะทางรอยกิโเป็นทางมาตรฐานนะต้องตทาง